บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในอาณาปานสติสูตรซึ่งพระภูมิพระภาคจะทรงแสดงไว้นั้นเป็นการแสดงขั้นแห่งจิตที่ก้าวเดินไปสู่ความสงบโดยลำดับ โดยให้บุคคลพยายามกำหนดตามไปทั้งในขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกซึ่งหมายความว่าเมื่อความเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นภายในจิตก็ให้ใช้สติระลึกรู้ในขณะนั้ น, น, นแล้วปฏิบัติไปตามสมควรแก่กระดีเช่นว่าจิตเกิดฟุ้งซ่าน สัสายไปก็ให้พยายามดึงจิตของตนให้มาอยู่กับอารมณ์ที่ใช้กำหนดรึกในขณะนั้นแต่เรื่องความเปลี่ยนแปลงของจิตบางอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้นแก่ทุกคนบางส่วนยังปฏิบัติไปไม่ถึงบางส่วนก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องที่แสดงไว้จึงเป็นบันได16ขั้นหมายความว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะประสบลักษณะต่างๆเหล่านั้นและเมื่อประสบข้าวก็ให้ปฏิบัติไปตามที่ทรงแสดงไว้เป็นการแก้ทางกรรมฐานก้จัดอุปสรรคแห่งความสงบให้หมดไปทำใจให้สงบอยู่ ในอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติมุ่งหวังในการบำเพ็ญเพียรสวรนี้ในข้อต่อจากวันกดน้นทรงแสดงว่าให้บุคคลกําหนดใจคลายความกาหนัดหายใจเข้ากาหนดใจคลายความกาหนัดหายใจออกความกาหนัดนั้น เป็นกิเลสสายโลภะที่ปรากฏตัวออกมาในลักษณะต่างๆเช่นจิตน้อมไปสู่อารมณ์อันตนมีความยินดีเช่นรูปที่น่าใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจเป็นต้นหรือบางคราวก็เกิดความพอใจในสิ่งเหล่านั้นซึ่งนอกเหนือจากอารมณ์ของกรรมฐาน จึงอาจจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสก็ได้และบางคราวอาจจะรุนแรงออกไปจนถึงกับโลกอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดความรู้สึกเหล่านี้แทรกซ้อนขึ้นมาในขณะที่ทำความสงบอยู่ก็ทรงสอนให้บุคคลพิจารณาให้เห็นว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นโทษ เกิดขึ้นแล้วเป็นอุปสรรคแก่ความสงบแล้พยายามที่จะสลายความรู้สึกเหล่านั้นให้ออกไปจากจิตใจกิเลสสายโลภานี้ทรงแสดงไว้ว่ามีโทษน้อยแต่คลายได้ช้าจิตโดยปกติจะเสพคุณกับอารมณ์ส่วนนี้มากกว่าอารมณ์ส่วนอื่น เพะฉะนั้นเมื่อเหนียวนึกถึงรูปเสียงเป็นต้นที่ใจใข่ปรารถนาอยู่จิตก็จะตกคลากอยู่ในอารมณ์นั้นเป็นเวลานานบางครั้งยากที่จะสลัดให้หลุดออกไปกิเลสประเภทนี้ท่านเปรียบเหมือนยางเหนียวคือเมื่อติดเข้าแล้วทำให้ออกไปยากเหลือเกินดังนั้นสติ จึงต้องระลึกรู้ทันในขณะนั้นแล้วใช้ความเพียรพยายามสำรอกความกำหนัดความพอใจที่มีอยู่ในขณะนั้นให้คลายออกไปการที่จะสำรอกให้จางให้คลายออกไปนั้นทรงประธานหลักเอาไว้ตามที่พระองค์ได้ปฏิบัติ ด, ด้วยพระองค์เองก่อนการจัดสรว่า ให้พยายามมนุิการคือใส่ใจถึงโทษของอกุศลส่วนนี้ให้มากไปใช้ปัญญาพิจารณาไปในแง่มุมต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดโทษทั้งนั้นและในขณะเดียวกันก็เพิ่มภูมฉันทะคือความพอใจในความส ง, งบจากกามฉันเป็นต้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ แล้วยามมองให้เห็นโทษให้เห็นคุณนั้นมากเป็นพิเศษส่วนโทษก็มองให้เห็นโทษมากเป็นพิเศษและในที่สุดจิตใจของบุคคล น, นั้นก็ค่อยๆน่ายค่อยๆ ค, คลายจากความกำหนัดความพอใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, นจิตก็จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้ แต่ว่าความสงบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอันยังไม่บรรลุฌานนั้นจิตจะต้องแวบไปรับอารมณ์ภายนอกอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ธรรมสามประการที่ทรงแสดงไว้คือ <c oughs> คือ <c oughs> คืออาตาปีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสให้ ร, ร่าเรอน สัมประชานะคือความรู้ทั่วพร้อมและสติมาความมีสติจึงถือว่าเป็นอุปการธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งการใช้ความเพียรพยายามนั้นใช้ทั้งในขั้นเห็นโทษใช้ทั้งในขั้นให้เห็นคุณและก็ใช้ทั้งในขั้นของการควบคุมจิต ให้อยู่กับอารมณ์ที่ตนกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในการปฏิบัติกุศลและธรรมทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องที่ออกเจะแปลกข้อนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระพุ้มีพระภาคเจ้าเองในขณะที่บำเพ็ญเพียรเพื่อสัตรูอยู่นั้นยามที่พระองค์หลงทิศทางอยู่คือไปปฏิบัติ ประมาณร่างกายตามความเชื่อถือในสมัยนั้นกิเลสมารก็ดีเทวปุตตมารก็ดีไม่ได้เกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจของพระองค์มากนักเพราะว่าตัวโมหะคือความหลงเต็มอยู่ภายในใจแล้วแต่พอเริ่มกำหนดทิศทางว่าจะต้องปฏิบัติทางจิตด้วยความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวด ตั้งอธิษฐานพระไทยว่าแม้เลือดเนื้อในกายจะเขือดแห้งไปยังเหลือแต่หนังคุ้มกระดูกก็ตามถ้าหากว่าไม่บรรลุคุณวิเศษแล้วก็จะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะที่ประทับอยู่ในขณะนั้นจากนั้นกิเล ส, สมารมานคือกิเลสเทวบุตรมารมานคือเทวบุตรและขันธมารมานคือเบญเจขัน ได้เกิดขึ้นกรุ่มรวมพระองค์อย่างหนักแต่อาศัยที่มีพระทัยมั่นคงอย่างที่ทรงใช้คำว่ามีความเพียรพยายามไม่ประมาทประกอบด้วยเจตจำนงอันแน่วแน่ซึ่งเป็นหลักในการพฤตธปฏิบัติในที่สุดก็ทรงบรรลุความเป็นพระอระหันตสมาสัมพุทธเจ้าได้ พระอริยบุคคลทั้งหลายก็มีทํานองเดียวกันในขณะที่ท่านยังหลงทางอยู่ความสงบยังไม่เกิดขึ้นหรือยังไม่มีค้าวว่าจะเกิดขึ้นพวกกิเลสเหล่านี้จะไม่ค่อยเข้าไปแทรกภายในจิตใจกลับไปกลับมามากนะักส่วนมากแกตกครักอยู่ในกิเลสข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะแต่ในกรณีของการทำความสงบนั้น ถ้าเปรียบเหมือนกับการทดน้ำแล้วจะเห็นได้ชัดคือว่าเวลาทดน้ำขึ้นไปเช่นว่าผลักดันน้ำด้วยแผ่นกระดานเมื่อดันขึ้นไปน้ำก็สูงขึ้นไปแต่ว่าอาศัยแผ่นกระดานนั้นไม่มีความแข็งแรงมากพอในที่สุดน้ำก็ย้อนกลับมาอีกจิตใจของบุคคลที่พยายามใช้พลังแห่งสมาธิ สกัดกัน้นกระแสะแห่งกิเลสก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะต้องต่อสู้กันเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนการชนะอยู่ตลอดจนกว่าจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิถึงขั้นที่ได้บรรลุฌานกิเลสเหล่านั้นก็จะส ง, งบไปนานสาปเท่าที่ชานยังมีอยู่ไปในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นดังนั้นการต่อสู้ในข้อนี้ คือในกรณีที่จิตไปเหนียวนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะอันใจกำหนดว่าน่าไข่น่าปรารถนาน่าพอใจนั้นจะต้องต่อสู้กันเป็นเวลานานแต่บุคคลจะต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในหลักการปฏิบัติและองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสามารถสงบระงับดับกิเลสเหล่านั้นได้เมื่อความเชื่อมั่นสูงขึ้น ปฏิบัติไปโดยนยะที่กล่าวแล้วจิตก็จะค่อยผ่อนคลายความรู้สึกกำหนัดในอารมณ์เหล่า น, นั้นออกไปใจก็จะเข้าถึงความเป็นสมาธิได้ในประการต่อไปนั้นทรงแสดงว่าให้บุคคลถ่ายถอนคืนหรือทรงใช้คำว่าคายคืนคือหมายความว่ากิเลสกับจิตนั้นเป็นคนละส่วนกัน กิเลสเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตซึ่งสามารถที่สกัดออกสลัดออกไปได้ถ้าจะเปรียบจิตกับเพชรแล้วเพชรกับหินนั้นคนละอย่างกันแต่เกิดไปอยู่ร่วมกันบุคคลผู้ฉลาดจิรณายเพชรนั้นสกัดส่วนที่เป็นหินออกไปเมื่อสกัดออกไปได้แล้ว โอกาสต่อไปถึงแม้ว่าเพชรนั้นจะไปตกอยู่ในหินในกรวดในทรายอะไรก็ตามหินทรายกรวดเหล่านั้นไม่อาจที่จะจับเกาะเพชรนั้นได้อีกเั้นใดจิตใจของบุคคลที่เข้าถึงความสงบเต็มที่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ถ้าหากว่ากิเลสใดที่ไปตกครักอยู่ภายในใจไม่ว่าจะเป็นโลภ ไม่ว่าจะเป็นโทสะหรือว่าความเกลียดคร้านความเบื่อหน่ายความท้อถอยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบุคคลจะต้องมีสติระลึกรู้ในทันทีในขณะนั้นๆว่านี่เป็นอะไรอย่างที่ท่านใช้ในโวหารที่เป็นปุคลาธิฏฐานคือพูดกันรูปแบบของบุคคลว่าเป็นานันโดยกล่าวว่าดูก่อมารผู้มีบาป บัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะทำอะไรต่อเราไม่ได้อีกต่อไปกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบุคคลจะต้องตั้งสติกําหนดรู้ว่าเป็นมานถ้าปล่อยให้มีอยู่ภายในจิตใจก็จะทำให้จิตใจทุกคนละภาพขาดความเป็นตัวเองจนถึงกับถูกครอบงำด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านั้น แล้พยายามถ่ายถอนคืนไปลักษณะถ่ายถอนคืนนั้นก็หมายความว่าแยกกิเลสออกไปจากจิตใจเมื่อแยกออกไปจา ก, กจิตใจแล้วธรรมดาว่าจิตนั้นจะต้องมีอารมณ์ที่เกิดร่วมกันจิตจะปรากฏเองโดยลำพังไม่ได้แม้แต่เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ต้องประกอบด้วยโลกุตรกุศล คือกุศลข้าวปรุงแต่งจิตอยู่ดังนั้นเมื่อถ่ายถอนส่วนที่เป็นกิเลสออกไปก็จำเป็นจะต้องสร้างส่วนที่เป็นกุศลละธรรมขึ้นภายในจิตใจในขั้นของการปฏิบัติที่เรียกว่าอนาปานสติกรรมฐานนั้นก็มีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าให้เริ่มความเพียรพยายามให้สูงขึ้น พยายามให้ใจสงบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นๆใครจะปฏิบัติอยู่ด้วยการนับลมหรือหายใจเข้าว่าคุดหายใจออกประโทรหรือว่าตั้งจุดไว้เป็นสามฐานกำหนดระลึกตามลมไปทั้งหายใจเข้าและหายใจออกหรือว่าจะรู้ลมทั้งหายใจเข้าและหายใจออกหรือแม้ปฏิบัติในจุดที่ เพ่งอยู่ดูจุดซึ่งลมกระทบที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากก็ตามก็มานาสีการถึงเรื่องนั้นให้มากข่าวกระทำให้มากข่าวใจคนเรานั้นถึงแม้จะมีอารมณ์มากก็ตามแต่ว่าการระลึกรู้ของใจนั้นจะทำได้ในขณะเดียวด้วยเรื่องเดียวเท่านั้นขณะใดที่ใจส ง, งบอยู่ ด้วยอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมาแล้วในขณะนั้นกิเลสก็ไม่อาจจะแทรกซ้อนขึ้นมาภายในจิตใจได้แต่ว่าเรื่องของขณะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เร็วมากกาหนดรู้ให้ทันท่วงทีนั้นยากท่านจึงต้องเสริมสร้างสติสามรปชัญญะให้มากอย่างที่ว่ามาแล้วและเมื่อปฏิบัติไปโดยไน y นีก็สามารถที่จะ สกัดกั้นกระแสะแห่งกิเลส ท, ที่ยังไม่เข้ามาไม่ให้เข้ามาได้ในกรณีที่เข้ามาแล้วนั้นชั้นแรกก็ต้องพยายามสกัดออกไปคือสลัดให้กิเลสนั้นออกไปเสียก่อนแล้วก็เพิ่มภูในส่วนที่เป็นความส ง, งบให้เพิ่มขึ้นการปฏิบัติวิธีนี้ท่านเรียกว่าปหานะคือละแลภาวนาคือบาเพ็ญ แต่ว่าโดยอีกวิธีหนึ่งนั้นใช้คำว่าภาวนาเพียงอย่างเดียวก็ปิดกั้นกระแสะแห่งกิเลสไม่ให้บังเกิดขึ้นคุกคามจิตใจของตนได้ข้อนี้ท่านอุปมาเหมือนบุคคลจะนำน้ำที่ไม่สะอาดออกจากสระน้ำซึ่งสามารถทำได้สองวิธีด้วยกันวิธีแรกนั้นก็คือละ ได้แก่การนำน้าที่สกปรกออกไปให้หมดซสก่อนแล้วก็สูบน้าสะอาดเข้าไปน้าในสระนั้นก็จะกลายเป็นน้าสะอาดวิธีนี้เรียกว่าปหาณะคือละและภาวนาคือบาเพ็ญแต่วิธีที่สองนั้นคือบาเพ็ญเฉยๆหมายความว่าไม่ต้องนำน้าที่สกปรกออกแต่ก็สูบน้าสะอาดใส่เข้าไป ปริมาณความสะอาดปริมาณน้ำที่สะอาดซึ่งไหลเข้าไปในสระนั้นจะสูงขึ้นเรื่อยๆและน้ำสะอาดนั้นเองจะทำหน้าที่สะลายความขุ่นข้นที่มีอยู่ภายในสระให้ค่อยจางลงจางลงถึงจุดหนึ่งความขุ่นค้นต่างๆที่มีอยู่ภายในน้ำนั้นก็จะหมดไปภายในสระก็จะมีน้ำสะอาด โดยทํานองเดียวกันการปฏิบัติโดยวิธีทั้งสองนี้ก็ใช้ได้ทั้งสองประการเพราะวผลออกมาโดยทํานองเดียวกันคือความสะอาดความสงบที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจลักษณะการถ่ายถอนคืนกิเลสเป็นการถ่ายถอนคืนในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นรูปของอารมณ์ในขณะนั้ น, น, น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นการละได้โดยเด็ดขาดเพราะเป็นชั้นของสมาธิเป็นชั้นของความสงบประงับดับกิเลสเท่านั้นเองเป็นการดับได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่เมื่อสามารถถ่ายถอนกิเลสให้ออกไปได้อยู่บ่อยๆความสงบเพิ่มขึ้นบ่อยๆสมาธิเพิ่มขึ้นบ่อยๆ ฉันทะคือความพอใจในสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเมื่อฉันทะคือความพอใจเพิ่มขึ้นความเพียรพยายามที่จะสแสวงหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจก็จะมากขึ้นจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะเอาใจใส่ศึกษาถึงโทษของกิเลสทั้งหลาย ตลอดถึงมูลเหตุที่ให้เกิดกิเลสเหล่านั้นในขณะนั้นๆจนถึงก็ศึกษาหาอุบายยีบีทีที่จะสลัดไม่ให้กิเลสเหล่านั้นเกาะติดอยู่ที่จิตนานอยังยกตัวอย่างเช่นกิเลสฝ่ายที่เป็นกามฉันนั้นตัวการสำคัญที่แท้จริงก็คือว่าบุคคลไปมีใจกำหนดว่า สิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจที่ท่านเรียกว่ามีสุภะสัญญาคือกำหนดหมายว่าสวยว่างามว่าไพเราะว่าอร่อยว่าหอมว่าน่าจับต้องเมื่อใจไปกำหนดไว้อย่างนั้นมากข้าวใจก็จะเก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ภายในแล้วก็น้อมนึกในขณะที่ มีความสงบบางเกิดขึ้นข้อนี้จะเห็นได้ว่าในยามปกติก็จะเป็นเช่นนั้นอย่างเช่นคราวประชุมเพื่อฟังธรรมก็ดีเพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีในขณะนั้นจิตมีความสงบ ก, กว่าปกติสิ่งเหล่านั้นก็จะผุดขึ้นภายในจิตใจจนทำให้อยากพูดอยากแสดงอะไรออกมา จิตที่เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้พอเกิดปฏิบัติไปเข้าสู่ความสงบหรือจวนใกล้ความสงบก็มีลักษณะอย่างนั้นคือแกจะผุดขึ้นมาภายในใจสติจึงจำเป็นจะต้องรู้เท่าทันแล้วก็สลัดออกไปกำหนดใจอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานเพียนพยายามปฏิบัติต่อสู้กันอยู่โดยในยะนี้ แล้วในที่สุดบุคคลก็จะศึกษาคนา้นคว้าถึงแง่มุมที่ตรงกันข้ามว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยอสุภสัญญาคือการกำหนดหมายว่าไม่สวยไม่งามไม่ไพเราะไม่อร่อยไม่หอมไม่น่าจับต้องเป็นต้นเอาไว้แล้วในที่สุดก็จะเก็บรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นไว้ในฐานะที่เป็นของไม่สวยไม่งาม ก็เกิดตรึกนึกมาก็กลายเป็นการตรึกนึกที่หนุนกรรมาฐานคือหนุนให้เกิดความสงบเพราะถ้าตรึกนึกไปเห็นความไม่สวยไม่งามไม่น่าจับต้องจิตก็จะไม่ติดในเรื่องเหล่านั้นซึ่งเป็นอาการปกติธรรมดาข้อนี้จะเห็นได้ว่าเช่นบุคคลพบปะสิ่งของต่างๆในชีวิตประจําวันของตนถ้าสิ่งใดที่ใจกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนา ก็จะสนใจให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านั้นมากแต่ถ้าสิ่งใดที่ใจเก็บไว้เป็นของน่าเกลียดน่าขณะน่าขยะขยแยงไม่น่าสนใจจิตจใจก็จะถอยห่างแก่สิ่งเหล่านั้นไม่สนใจในสิ่งนั้นๆพอสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องกับจิตก็สามารถถ่ายถอนคลายคืนให้ออกไปจากใจได้ความสงบก็จะเพิ่มขึ้น และในข้อต่อไปนั้นทรงแสดงว่าให้บุคคลมณสิการดับกิเลสในขณะที่หายใจเข้าแล้วก็ดับกิเลสในขณะที่หายใจออกซึ่งหมายความว่าการที่จะดับได้โดยวิธีนี้นั้นสติจะต้องมีความระลึกรู้ได้สูงมากคือระลึกได้ทันว่ากิเลสเกิดขึ้น แล้วก็สลัดไปดับไปในขณะนั้นๆที่เรียกว่าเป็นตะทางกะวิมุตต์คือให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสโดยองค์นั้นๆไม่ว่ากิเลสอย่างใดก็ตามบังเกิดขึ้นก็ให้สลัดออกไปอันที่จริงการปฏิบัติโดยวิธีนี้ก็เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างกายบุคคลทั้งหลายจะสังเกตได้ว่า ในขณะที่เดินในขณะที่นั่งหรือทำการงานอะไรอยู่ก็ตามถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวไม่ต้องการแล้วมาไปตกอยู่ที่เสื้อผ้าที่มือที่ภาชนะสิ่งของเป็นต้นก็ต้องรีบสะอดออกไปปัดกวาดออกไปเพราะเป็นสิ่งที่ตนไม่ปรารถนากิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ทรงสอนให้ปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้น ถ้าหากว่าปฏิบัติจนเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติได้ก็จะมีผลมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นคือกิเลสจะไม่ตกคลักอยู่ภายในใจกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นนั้นให้สังเกตว่าเหมือนกับไฟดวงเล็กๆที่ตกลงคือสังเกตไฟเล็กๆที่ตกลงในที่ใดที่หนึ่งถ้าหากว่าไม่ได้เชือ้อก็ดับ แต่ตามปกติแล้วมักจะไปได้เชื้อข้าวโอกาสที่ไฟนั้นจะลุกลามไหม้เป็นกองใหญ่ทำลายสิ่งของต่างๆให้พิดนาตลงก็มีได้เรื่องจิตใจที่ไปเหนี่ยวนึกถึงกิเลสหรือกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วสลัดไปคือไม่ให้เชื้อแก่กิเลสเหล่านั้นกิเลสก็ต้องดับ แต่ถ้าไปให้เชื้อข้าวกิเลสก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นให้สังเกตว่าความรักก็ดีความโกรธก็ดีหรือความหลงก็ดีทั้นไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวและจะกลายเป็นรักโลภโกรธหลงขึ้นมาก็หาไม่แต่ที่จริงบุคคลไปมนานัสีการคือคิดถึงเรื่องนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำๆ ซ, ซ, ซ้อนๆคิดมากหรือเกิดการเกิดตับของจิตสัมพันธ์อยู่กับกิเลสส่วนนั้น เป็นร้อยเป็นพันครั้งปริมาณความเข้มข้นของกิเลสก็สูงขึ้นแต่ถ้าพอเกิดปับ๊บดับปุ๊บเกิดปับ๊บดับปุ๊บไปได้กิเลสก็ตั้งอยู่ภายในจิตไม่ได้ความสงบที่ก่อตัวขึ้นมาจากการบาเพ็ญเพียรทางจิตก็จะสูงขึ้นจนถึงกับความสงบนั้นได้คืบคลานเข้าไปสู่ที่ท่านเรียกว่าคณะสมาธิ คือความสงบที่เกิดขึ้นชั่วขณะและเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจก็จะเข้าถึงความสงบที่เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิคือความสงบนั้นได้สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นนั่งยกตัวอย่างเช่นนั่งกรรมฐานยี่สิบนาทีความสงบอาจจะมีถึงหนาทีหรือถึงเจดนาที การที่บุคคลนั่งทําความสงบยี่สิบนาทีสงบได้ถึงห้านาทีนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากทีเดียวเพราะโดยปกติแล้วจิตใจนั้นไม่คุ้นเคยกับความสงบแต่เมื่อเพียรพยายามปฏิบัติจนเกิดความสงบในลักษณะนี้ได้ก็ถือว่าจิตใจได้เข้าสู่ความเป็นสมาธิแล้วและเมื่อเข้าไปสู่ความสมาธิ บุคคลจะพบความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่แปลกใหม่ออกไปซึ่งหมายความว่าในบางโอกาสที่ไม่ ไ, มได้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นความสงบก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่ามีเหยื่อมีอมิตรอะไรต่างๆเป็นอันมากเป็นสื่อให้สงบอยู่เช่นสงบอยู่ในสิ่งที่ตนพอใจดูรูปที่ตนพอใจเป็นต้น ความสงบก็อาจจะเกิดขึ้นแต่สิ่งนั้นเป็นเหยื่อเป็นอมิตรที่ทาให้จิตหลงและก็ติดในเรื่องเหล่านั้นส่วนที่เป็นสมาธินั้นเป็นความสงบที่ปราศจากเหยื่อเป็นเครื่องล่อเป็นความเอิ้อิ่มทราบซึ้งในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้และเมื่อเพียรปฏิพยายามปฏิบัติสืบไปสืบไป ปริมาณของความสงบ ก, ก็สูงขึ้นที่เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิในขณะที่ปฏิบัติอยู่นี้ในชั้นของการพิจารณาดับกิเลสนั้นถือว่าเป็นบันไดที่สาคัญประการหนึ่งเพราะกิเลสจะไม่ตกคลักอยู่เลยเช่นสมมติว่าเกิดความโลภขึ้นก็สลัดออกไปเกิดความเบื่อนายขึ้นก็ดับไป เกิดความริษยาเกิดความท้อถอยหรือเกิดความลังเลสงสัยเป็นต้นก็ดับไปซึ่งในการพิจารณาดับเหล่านี้อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าใช้หลักปหานะกับภาวนาหรือใช้หลักภาวนาเฉยเฉยผลก็จะออกมาโดยทํานองเดียวกันในกรณีของการใช้ภาวนาเฉยเฉยก็ให้มนสิการเฉพาะกรรมฐานที่ปฏิบักษ์จุ ถ้าจะเปรียบกิเลสที่แทรกซ้อนเข้ามานั้นเหมือนกับทิวทัศน์ที่บุคคลเห็นในขณะเดินทางหรือในขณะที่ขับรถไปด้วยยานอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นบุคคลไม่ให้ไม่ใส่ใจถึงทิวทัศน์เราท่า น, นโดยกำหนดรู้ว่าไม่ใช่จุดหมายปลายทางถ้าขืนไปหยุดไปพักที่นี้จุดหมายปลายทางของเราเราก็ไปไม่ถึง แล้วก็ใส่ใจเฉพาะทางที่ตนจะไปเท่านั้นนี้ก็เป็นวิธีสงบได้ประการเด็กอีกวิธีหนึ่งนั้นเช่นว่าเกิดความกำหนัดขึ้นมาก็พิจารณาในง่ที่เป็นโทษแล้วก็มองให้เห็นเป็นความไม่สวยไม่งามในสิ่งเหล่านั้นก็ดับลงไปได้ ถ้าเกิดความโกรธความเกลียดความริษยาผุดขึ้นมาภายในใจก็สร้างเมตตาจิตให้บางเกิดขึ้นในขณะนั้นก็สงบลงไปได้หรือบางคราวจิตใจเกิดเบื่อหน่ายทอ้อถอยง่วงนอนอยากจะหลับก็เร่งความเพียรให้สูงขึ้นสามารถที่จะดับอาการเหล่านั้นลงไปได้หรือว่าใจเกิดฟุง้งหาที่ตั้งแน่นอนไม่ได้ ก็มณติการกรรมาฐานให้เพิ่มขึ้นดับความฟุ้งซ่านเหล่านั้นลงไปได้เหล่านี้ท่านเรียกทรงเรียกว่าสันเลขาปฏิบัติคือเป็นการปฏิบัติแบบขัดเกลากิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆซึ่งเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีเช่นนี้คือในขณะใดใจเกิดปเป็นเอี่ยนนึกถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ ก็พยายามผ่อนคลายความรู้สึกเหล่านั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป